ดังนั้นพทธเจ้าจึงเล่าไว้ในพระสูตรนะครับว่าในพระเจ้าเป็นดกว่าท่านเร่ร่อนมาที่ตำบลรุเวลาเสนานิคงที่ที่มีภูมิภาคร่มรื่นน่าทำความเพียร น, น้ำเปลี่ยมฝั่งอีกาสามารถก้มลงดื่มน้ำได้ยืนอยู่นบนฝั่งนะรพระพุทธเจ้าหันมาพึ่งธรรมชาติครับมไม่มีเพื่อนแต่คนเดียวหนึ่ง วันนี้รู้สึกมีแต่ธรรมชาติที่ร่มรื่นนะนะที่จะเป็นเพื่อนปลอบประโลมใจได้เ้าใจไหมครับจากการที่ไม่มีใครเข้าใจเลยนะครับพระพู้เจ้าก็โดดเดียวเดียวดายที่ตรงนี้เองครับที่พระเจ้ามาค้นพบต้นตอของมาันเพราะว่าเมื่อไม่ไม่มีความสัมพันธ์เลย ผู้คนไม่รู้จักเลยไม่เข้าใจเลยเขาก็ไม่สนใจเลยแต่พระเจ้าทรงรู้จักตัวพระองค์เองดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ง่ายนิดเดียวแล้วครับที่ท่านจะมาพบสิ่งที่ท่านต้องการ <c oughs> แต่ว่าก่อนหน้าการสัสรู้นี้ <c oughs> เจ้าชายัเป็นบุติชนนะในพระประวัตินั้นไม่ได้บอกว่า พระพุทธจาเปนพระโสดาบันตรงไหนเมื่อไหรไม่มีครับแล้วหัวค่าก่อนที่จะจดสู้ครับท่านวุ่นวายพระทายมากครับที่เราเรียกมารน์นผจญคิดถึงลูกคิดถึงท้ากคิดจะกลับบ้านเสแล้วคิดถึงราคาที่เคยมีเคยได้ความสุขในพระราชวางังรวนเรว้าวุ่นขึ้นมาแล้ว คือท่านยังเป็นบุทุชนอยู่ข้างเครับแต่พระเจ้ายังสอนใครไม่ได้ครับเพราะว่าท่านยังไม่รู้เมื่อเจ้าชายเดินหรือนั่งก็เดินนั่งในโมหะมีความปรารถนาแต่ความปรารถนาของเจ้าชายในตอนนั้นเป็นความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากกิเลสแต่ก็มีความต้องการ ทีนีฟอนลุ้งขึ้นเช้านะครับหลังจากจัดสรุแล้วนะบัดนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วครับก่อนหน้าพุทธกาลนะครับสี่ห้าพันปีนั้นไม่มีใครสอนเรื่องเรื่องสัธจธรรมเลยนอกจากเป็นคำพูดคำบรรยายล้วนๆ น, น, น, นะครัปัจพระพนพระเจ้าอุอบัติขึ้นแล้วครับ พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะคือเจ้าชายสิทธัตถะได้ตายไปแล้ววันนี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความปรารถนาอะไรแล้วไม่ต้องการแม้แต่การตรัสรู้เพราะท่านตรัสรู้แล้วการลุกยืนลุกนั่งลุกยืนนั่งนอนหรือทอดสายตามองผู้คนหรือลำธารหรือต้นสีมหาโพนั้น เป็นสายตาของพุท ธ, ธะซึ่งไม่มีความต้องการอะไรการเดินก็เดินอย่างผู้ไร้ตัณหานั่งก็นั่งอย่างไม่มีตัณหาจับต้องสิ่งของจับต้องอย่างชนิดไม่มีตัณหาล้วนๆท่วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่เช่นนั้นในขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าชายสิทธัตถานั้นนั่งก็นั่งด้วยตัณหาครับ ทังเจ้าชายนันมีเพราะตันหามีหลายระดับหลายประเภทครับที่เรารู้กันเป็นสามโมดกามตันหาภาวะตันหาวิภะตันหาอะไรนั่นนี้พวกฤาษีชีพไพยที่เข้าฌานได้นั้นอยู่ในตันหาทั้งนั้นครับคือภวะตันหานี่ผู้เข้าฌานระดับสูงสุดขึ้นไปนั้นเป็นวิภะตัหาเช่นฌาระดับอากาสานัญญาตนะ ล้วนแล้วจะอยู่ในตันหาทั้งสิ้นดังนั้นเจ้าชายก่อนหน้าศาสนุเนี่เดินก็เดินในตันหานั่งนอนยังไม่รู้สิ่งที่อยู่นอกตันหาดังนั้นจึงสอนใครไม่ได้ครับวันณิเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นนั้นการยืนเดินนอนนั่งของท่านอยู่ไม่ยืนเดินนอนนั่งอย่างไรตันหา จับต้องสิ่งของมองต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อพระเจ้าจััสรู้แล้วนะครับอิริยบทแรกของท่านคือลุกขึ้นอาทิตสถานจงกรมคือท่านเดินจงกรมรปัจนี้ทุกก้าย่างเนี่ยเป็นก้าย่างของพุทธะแต่ก่อนหน้านี้เจ้าชายสิทธัตถะเล่ร่อนเดินทางมาหลายแสนไม้มากครับ แต่ว่าเดินอย่างปุ้ทุชนกินอย่างปุุ้ชนบันนี้ก้าวเดินอธิษฐานที่ใต้ลมระษีมหาโหนครับเป็นก้าย่างของพุท ธ, ธะแล้วท่านเหลียวมาดูต้นสีมหาโหเพ่งไม่กะพริบเนตรอยู่เจ็ดวังเป็นการมองด้วยสายตาของพุท ธ, ธะคือไม่มีตัณหาไม่มีความขัดแย้งล้วนๆทุน่ทน อากับกิริยาของพระพุทธเจ้าหลังจากตรสรู้แล้วนะครับเป็นมุทราตรอดจนสิ้นพิชชนนะครับมุทรานั้นแปลว่าเลิศสุดหรือจอมที่จริงคือคำมุทานั่นเองเลิศมุทรานั้นเป็นชื่อที่ผมเรียกใช้นะครับการเคลื่อนมืองที่เลิศสุด เต็มบริบูรณ์ปราศจากความขัดแย้งและตัณหาและดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติชาวพุทธนะครับปฏิบัติเจเลยร อ, อยตามพระพุทธเจ้าถือเอาอิริยบทต่างๆนั่นเองเป็นการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อตัณหาจะดับก็ดับไปที่ยืนนั่งนอนยืนเดินนั่งนอน ตัญหาเกิดที่ใดให้มันดับขณนะที่นั้นไม่ใช่เกิดตรงนี้แล้วไนดับตรงโ น, น้นแต่มันปรากฏขึ้นที่ใดให้มันดับตรงที่นั้นดังนั้นเองเราถือการเคลื่อนไหวมุตราเนี่ยเป็นเสมือนกุญแจดอกเองคือเราเคลื่อนมือล้วนๆอย่างไม่มีความปรารถนาไม่มีความสงสัยไม่มีความลังเลมีความรู้สึกตัว ล, วลว้วนๆทุ้นๆเท่านั้นเอง ให้การเคลื่อนนี้อยู่ที่เป็นจอมสุดด้วยหัวใจซึ่งเบากลมกลืนไม่อยากได้อะไรไม่สนใจอะไรไม่กลัวอะไรไม่ปรารถนาอะไรทั้งสิ้นนี่คือเนื้อหาของสิ่งที่เรียกมุตราพระพุทธเจ้านั้นหลังจากจัดูดแล้วจน วันสุดท้ายที่ล้มกายลงนอนบรินุพานก็นอนในลักษณะของมุตราคหรือท่านนอนเองข้างขวาไม่มีความหวาดกลัวไม่สะดุ้งต่อความตายไม่ปรารถนาไม่ใคร่ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่โลภไม่เกลียดไม่หลงคือรู้อยู่ตลอดะังนั้นทรงดับขันด้วยความรู้แจง้งด้วยการจดสู้นั่นเองและท่านก็ดับขันบริณุพาน การจัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นสัมพันธ์กับชีวิตบัณนปรางท่านจนวินาทีสุดท้ายไม่เหมือนกันเรียนหนังสือจบได้ปิญญาของพวกเรารจบแล้วความรู้ก็หมดหมดส่วนการรู้แจ้งการจัดสรู้นั้นพระุเจ้าทรงอธิบายว่าเหมือนกับการจุดไฟขึ้นเผาไม้ไฟก็แปรสภาพไม้ให้เป็นขี้เถ้า ขี้เฒ่าจะคืนกลับมาเป็นไม้ไม่ได้อีกแล้วรดังนั้นทางเส้นนี้เป็นทางไปไม่กลับเราปฏิบัติทํานี่ครับไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อได้สายสะพายหรือปริญญาหรือปฏิบัติเป็นเครื่องประดับพอให้เพื่อนรู้ว่าเอ้อฉันเข้าวัดแล้วนะฉันบวชฉันปฏิบัติแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับ เราต้องการเปลี่ยนสภาวะซึ่งมันเป็นปัญหานีให้เสร็จสิ้นปัญหาดังนั้นการอธิสถานจิตที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดปัญหาันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากถ้าเราเข้าใจจริงๆนะครับว่าวัตถธรรมของชาวพุทธเนี่ยเริ่มต้นตรงสติ ต่อมาเนะ่พระพุทธเจ้าเมื่อจัดสรู้แล้วท่านร้องอุทธาณ์ขึ้มนมนาครับโอ้แท้ที่จริงสัตว์ทั้งโลกนี้ก็คือพระตะถาคต <c oughs> ตถาคตก็คือคำว่าต า, าตา ค, คำเดียวกันแปลว่าผู้ไปอย่างนั้นทุกคนต้องไปทางนี้ทั้งนั้นเลยดะงนั้นการจัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการหลุดพ้นเฉพาะตัวจริงนะครับ แต่หลุดพ้นแล้วก็กลับมาเห็นว่าทุกคนเป็นเหมือนท่านนั่นคือการกลับมาเห็นว่าชีวิตทั้งหมดเป็นอันเดียวกันหมดแล้วแต่นั้นผู้ที่อนุปฏิบัติธรรมะนะครับหรือผู้ที่เข้าใจหรือเข้าถึงแล้วนะั้นจะเห็นว่าคนอื่นนี่ก็มีธรรมะอยู่แล้วแต่ว่าเขาเจ้าตัวไม่รู้ผู้ที่ไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงนะครับ จะรู้สึกคนอื่นนี่ไม่มีธรรมะเอาเลยเราเท่านั้นมีธรรมะยิ่งเข้าไปในสำนักซึ่งสอนให้ยึดถือมากๆนะครับจะรู้สึกคนอื่นนี่ทุศีนทั้งโลกเลยแล้วเกลียดชังนะครับรังเกียจแบ่งพักแบ่งพวกยิ่งไปเห็นเทวดาเห็นแสงสีเห็นนี่มิตรอะไรเข้ารู้สึกคนอื่นนี่ต่ำช้าทั้งนั้นเลยแล้วรังเกียจคนอื่นคนชนนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่จับเอาธรรมะฝ่ายดําครับไม่ใช่ธรรมะแท้ ผู้ที่เข้าถึงธรรมะจะรู้ว่าคนอื่นนี่ก็มีธรรมะเรียบร้อยนะฮะคนอื่นก็คือขันห้าเหมือนกับเราแต่เจ้าตัวเขาไม่รู้เท่านั้นเองดา <c oughs> ะนั้นผู้เข้าถึงธรรมะนี่จะนอบน้อมและยอมรับผู้อื่นอย่า <c oughs> เช่นเดียวกับตัวเองครับพระพุทธเจ้ากับโจรนะครับกับโจรที่ฆ่าค น, เ, นเหมือนกันโดยสัจธรรม แต่ว่าโจรมันไม่รู้จักขันห้าตามที่เป็นจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ตามที่เป็นจริงครับท่านจึงหลุดพ้นจากปัญหาในขณะที่โจรก็เป็นธรรมชาติอันนั้นคือเป็นตถาคตเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ครับเพราะสติเขาอ่อนปัญญาเขาไม่ถึงไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วแบบนี้เราก็กลายเป็นอีกประเภทหนึ่ง แล้วคนไม่ปฏิบัติธรรมะเป็นอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เราพุทธศาสนกเข้าใจผิดกันมากๆเลยครับไปวัดไปวานุ่งขาวห่มขาวสมาทานขึ้นสำนักนั้นแล้วก็รู้สึกว่าสำนักอื่นเป็นศัตรูกับเราเข้าใจไหมครับถ้าคุณเข้าถึงธรรมะจริงนะครับคุณจะกล่าวได้แม้แต่คนชั่วครับ เขาก็เป็นเหมือนเราไงครับแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับสมัยผมบวชใหม่ๆกลับไปเยี่ยมโยมนะครับที่สงขาก็ถึงหัดใหญ่หัดใหญ่นี่ก็ดงโซเฟ น, นีสมัยโน่นครับผมนั่งรอรถไฟจะออกมีโซเฟณีกลุ่มหนึงขึ้นมาเนผมกลัวม า, มากๆเลยเธอมานั่งข้างหน้าด้วยครับเก้าอี้ชั้นสามที่มาหันหน้าหาอากาศผมระวังตัวไม่เป็นสุขเลยคือด้วยความรู้สึกลังเกียจ เดี๋ยวนี้ผมไปนอนกับโสภณีเนี่ยผมจะไปนอนเพื่อจะได้สนทนากับเธอไม่ได้หมายให้ไปทำอะไรกับเธอหมายให้ไปนอนในซ่องโสภณีโดยที่ที่ผมไม่เดือดร้อนน่ะนะเอาครับจะได้มีโอกาสคุยกันว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตทุกชีวิตจะเหมือนกันทั้งสิ้นเลยครับแต่เหตุไฉนครับเมื่อเราปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ย ดันไปยกตัวเองขี่ว่าเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วก็อื่นเป็นผู้ต่ำสามนมานั่นไม่ใช่ผู้เห็นธรรมนะครับถ้าเห็นธรรมะจริงๆจะเห็นว่าทุกๆคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่จริงไหมครับจะเป็นพระเป็นเนนเป็นชีเป็นคลืหัสเป็นโจรป่าห้า้เป็น ผู้วพากษาเป็นศิลิปินก็ขันห้าทั้งนั้นเลยครับคือกายกับจิตที่กําลังประกอบกันเราเห็นมแมลงตัวหนึ่งก็เราเห็นรูปนามนครับกำลังกระทํากันอยู่เข้าใจไหมครับเห็นคนเดินมานั้นก็คือรูปนามนั่นแหละแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเขาไม่รู้ครับและบางทีเจ้าตัวเราเองก็ไม่รู้ด้วยครับมันก็เลยไม่รู้ทั้งทั้งสองฝ่ายดังนั้นเราควรจะเข้าใจให้ดีนะครับว่า สิ่งที่เป็นสมมุตินั้นอย่างหนึ่งเช่นเราเรียกกิ้งก่าว่ากิ้งกาเปนะ็นสัตว์ประเภทหนึ่งในตระกูลหนึ่งเรียกกิ้งกาแต่ถ้พูดโดยประมาภะก็คือรูปนามแต่แม้กระนั้นเรายัางบัญญัติภาษาว่ารูปนามแต่โดยข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรบางสิ่งซึ่งเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับเราเรียกว่าตถาคตกิ้งกานั่นก็คือตถาคตนะครับ ดังนั้นเองเมื่อพระพเจ้าท่านจัดรู้ท่านรองอุทานขึ้นมานะครับท่านกลับเห็นว่าโลกทั้งโลกชีวิตโลกและสากลและจักรวาลนี้เป็นอั น, นเดียวกันอยู่ตลอดเวลาคือโลกนี้ทั้งหมดนี้เป็นรูปเป็นนามจริงไหมครับมีแต่รูป ก, กับนามเท่านั้นคือมีวัต ถ, ถุและก็จิตซึ่งสัมพันธ์กันอยู่ดังนั้นการจัดรู้ของพระเจ้าเป็นการหลุดพ้นจากปัญหาความมืดในตัวเอง แต่กลับเข้ารวมกับทุกๆสิ่งก้าอาารนะครับคือการหลุดพ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคนอื่นแล้วคนคนหลุดพ้นจะช่วยคนอื่นหลุดพ้นไม่ได้ด้วยครับเจ้าตัวเขาเท่านั้นที่จะต้องจัดการกับตัวเขาแต่ความหลุดพ้นนั่นเองทำให้ให้มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนันเดียวกัน ดังนั้นเองครับหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วท่านเลยออกเดินทางไปทั่วไปเหมือนกับคนขอท า, านพบใครก็พูดไปเรื่อยสนทนาไปเรื่อยแนะนําไปเรื่อยจนลมหายใจสุดท้ายจากคำาุทานที่ว่าโอ้แท้ที่จริงสักทั้งหลายคือพระตถถาคตนะครับคือทุกๆคนเนี่ยเหมือนกับท่านต้องไปอย่างนั้น ถ้าฟังออกนะเราจะเข้าใจดีครับแต่ความเข้าใจที่แน่นแฟนนั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติขึ้นมาที่ตัวแล้วความเกลียดความแบ่งแยกจะหายไปเราก็จะกราบพ่อแม่ได้อย่างสนิทใจครับพ่อแม่จะโง่จะฉลาดหรือจะเป็นคนบ้าก็ตามนะแต่เขาเป็นอันนั้นนะครับเข้าใจไหมแล้วเราจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์นะครับเพราะว่า เขาเป็นอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองเข้าใจไหมสมมุติถ้าคนคนนั้นไม่มีธรรมชาติของความหลุดพ้นนะครับจะช่วยทําไมครับเราจะไปทําอะไรทําไมเพราะมันไม่มีถ้าไม่มีธรรมชาติที่หลุดพ้นอยู่ในตัวเองนะครับถ้าเราไม่เป็นตถาคตอยู่แล้วนะครับเรามาปฏิบัติทําไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรจริงไหมก็ไม่มีทางที่หลุดพน้นจะมาบวชทําไมครับเพราะเลิกก็สึกกันให้หมดเลยครับจริงไหม แต่เนื่องจากมันเป็นอยู่แล้วดังนั้นเหลือแต่ว่าทําอย่างไรเราจึงจะเร้าสติให้ตื่นตัวที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะเข้าถึงมันเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับนี่เองที่ข่าวประเสริฐที่พระเจ้าบอกกล่าวกับผู้คนร่วมยุคร่วมสมัยกับท่านดังนั้นจึงเกิดการไหวตัวอย่างกว้างขวางในอินเดียครั้งกนันนเพราะก่อนหน้านั้นพราหมณเขาสอนว่าอีกแบบหนึ่ง ก็สอนว่าเราไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องมุ่งไปข้างหน้าไปรวมกับพรมพระพรมข้างหน้านอนอีกไม่รู้เท่าไรเท่าเทะไรแต่พระพระธเจ้าแจ้งข่าวนี้กับผู้คนเท่านั้นนะครับเกิดการไหวตัวอย่างกว้างขวางทีเดียวถ้าเป็นนักโบราณคดีสักหน่อยก็จะเห็นด้วยครับผมประมาณศตวตรรษที่6หรือถึง9นะครับกระบวนการชาวพูทธเนี่ยไหวตัวกันอย่างกว้างขวางที่จะสร้างสังคมมนุษยชาติเสือใหม่ เป็นไปตั้งชุมชนเงินใหม่นะครับที่กันเฮรีกาลาอชันตะแล้วผมเห็นร่องรอยนั้นด้วยนะครับเขาไปอยู่กันเพื่อเพียงเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นเขาไม่ได้สร้างเมืองเพื่อจะให้มีระบบอะไรเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นนะครับที่กันเฮรีนี่มีร้มประมาณร้อยร้อยยี่สิบถขุดเจาะขึ้นมาเพียงเพื่อได้ปฏิบัติธรรมเท่านั้น ผู้คนชาวพุทธ ผ, ผู้ที่ไหวตัวขั้นนั้นรู้ชัดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากไปตายครับจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นห้องเจ้ก็ในที่สุดก็ตายทั้งสิ้นเลยดังนั้นเขาก็ตื่นตัวกันมากที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดวันนี้ที่ผมให้จับมือกันเพื่อจะภาวนา น, นหรือ ก็เป็นเป็นเป็นเช่นเดียวที่เป็นสิ่งเดียวกับการที่เมือ่อชาวพุทธทำบุญถวายพระทหารในพระสงฆ์แล้วก็กรวดน้ำเขาให้จับมือต่อๆๆเพื่อเพื่อละทิฏฐิมานะนะครับเพื่อละความถือเนื้อถือตัวชั้นผิวขาวกับแกชั้นวนนันณะสูงไม่ต้องกายกันในสังคมวินเดียขึ้ป็ปอย่างนั้นนั้นชาวพุทธก็เริ่มปฏิวัติวัฒนธรรมและประเพณีต่าง โดยวิธีเวลาตรวดน้ํำคงนึกออกนะเวลาหัวหน้าอุบาสกกน้ำเขาก็จับกันเป็นหางเป็นอุบายที่จะให้ลดความยึดถือในวันนะในศักดิ์ศรีคือศักดิ์ศรีนั้นมีครับแต่ว่าศักดิ์ศรีช น, นิดมันศักดิ์ศรีถือตัวนั้นมันศักดิ์ศรีจากอวิชชาครับศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็คือความรู้สึกตัวครับเพราะพราะไม่รู้สึกตัวเรากลายเป็นศักตว์หรือกลายเป็น สิ่งที่ต่ำกว่านั้นในตัวคนนะครับมันเป็นได้ทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งพืชเผลอนิดเดียนะฮะสลืมสลืมกลายเป็นพืชเป็นผักกาดไปเลยเข้าใจไหมเป็นผักกาดดองนั่นที่ น, นั่งๆแล้วไม่รู้ตัวแล้วก็ง่วงงูนุเป็นผักกาดดองทีงนี้พอขี้จุนเฉียก็มกลายเป็นสัตว์ครับ พอโมโหใครแ ย, เยกเขี้ยวกลายเป็นหมาเป็นเสือเห็นไหมฮะจิตใจมันจะเปลี่ยนไอ้ร่างกายน่าอาจจะคงเดิมแต่ว่าแนวโน้มเอียงสัญชาติยานอะไรนี่มันมีอยู่เริ่มใจดีกับผู้อื่นมีเมตตากรุณาเนี่เป็นเทวดาชั้นพรมแต่ถ้ารู้สึกเป็นสุขจากการเมตคุณชนิดที่ไม่มีโทษภัยอะไรอันนี้เป็นเทวดาชั้นกา ม, มาวจร แต่พอรู้สึกตัวกลับเป็นคนครับกลับเป็นมนุษย์และจากความเป็นมนุษย์ที่รู้สึกตัวนี้ครับมันจะขึ้นหนึ่งความเป็นมนุษย์ดังนั้นถึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์โชคดีนะครับเพราะเราสามารถที่จะหมุนไปทางไหนก็ได้ใครอยากเป็นเป็นสัตว์ก็ได้ครับง่ายนิดเดียวไม่ยากสอนง่ายให้เป็นสัตว์แต่สอนให้เป็นเทวดาก็ยากขึ้นนิดหนึ่ง ให้เป็นคนนั้นง่ายทั้งง่ายทั้งยากครับแต่การปฏิบัติธรรมะที่พี่เจ้าสอนนั้นไม่ใช่เพื่อเป็นเทวดาไม่ใช่ไปติดอยู่ในชั้นเทวดานะตรงข้ามพระเจ้ากลับประนามโทษของสวรรค์โทษของสวรรค์ที่ไปติดอยู่ในแค่ชั้นสวรรค์เท่านั้นแต่ท่านสอนอริยอะมา มนุษย์เท่านั้นที่ริรู้จักอริยสัจได้ผู้ที่อยู่ในสวรรค์หรือผู้ที่สวยสุขมากๆนี้จะไม่รู้จักทุกข์ครับไม่รู้จักว่าทุกข์อยู่ตรงไหนเหตุอยู่ไหนไม่รู้จักมันสบายมากๆดังนั้นผู้ที่ไปนั่งสงบนิ่งเข้าฌานถึงระดับฌานแปดคือฌานรูปฌานนะรูปฌานนี่ยากที่จะรู้ธรรมะเพราะไปติดอยู่ใน โผลมาโลกครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าตรัสรู้แล้วท่านนึกถึงครูของท่านสองคนแสดงว่าเจ้าชายคนกนตัญญูเป็นคนมีความกตัญญูมากมาๆนึกว่าครูสองคนนั้นเป็นบัณฑิตแล้วก็เคยสงเคราะห์ท่านด้วยทั้งๆให้สงเคราะห์ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับที่พระเจ้าตรัสรู้ก็ตาม <c oughs> ท่านกันอย่างเอื้อเฟือ้อมา น, นึกถึงก็ได้รู้ข่าวตายเสียแล้ว ตายในที่นี้มีความหมายสองนัยยะนะครับคือตายจริงๆกนได้คือหมดอายุไขยัยหรือความหมายหนึ่งคือเข้าไปติดในพรหมโลกเนี่ยตายแล้วคือไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญอีกแล้วคือตายจากขนทางของมรรคผลนิพพานนะครับติดอยู่ในพรหมโลกคนที่ติดสงบมากๆนี่ครับไม่อยากจะรู้จักตัวเองไม่รู้ไม่อยากรู้จักทุกและเหตุแห่งทุก เรียกว่าเอาความสุขในพรหมโลกนั้นมามองตัวเองอย่างถึงที่แล้วก็ตายไปแนวทางเช่นนี้เป็นแนวทางของพราหมณ์ฮินดูครับแต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าประเทศเรานะครับส่วนใหญ่ปฏิบัติแนวทางนี้จริงไหมครับนั่งหลับตาแล้วแล้วเขบอกวันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าประหลาดไหมครับตั้งแต่พระพุทเจ้าเลิกปฏิบัติมาแล้วครับเลิกก่อนที่ไปทรมานตนอกีกท่านเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่ทาง ท่านนักศึกษาออกไปข้างนอกพบกับกลุ่มาศาสนิกจะพบว่าแนวทางนั่งหลับตาเข้าชสารเนี่ยกว้างขวางมากครับผมก็ตั้งคำถามกับผู้ที่มาร่วมปฏิบัติว่าถ้าการนั่งสงบนี้นะครับเป็นทางหลุดพ้นจริงแล้วทาไมพรเจ้าจึงบอกเลิกทำไมท่านไม่ทำต่อเข้าใจไหมครับพระเจ้าเข้าชารได้ถึงระดับ เท่าเทียมกับครูนะครับอุตการ阿拉ถึงได้ชวนเป็นครูเลยอุตการ阿拉พูดกับพระเจ้าว่าดูก่อนท่านโคตมะทำใดที่เราเข้าถึงท่านก็เข้าถึงถ้าเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมาเรามาช่วยกันบริหารคณะคือเป็นครูสอนลูกศิษย์แต่พระเจ้าท่านบอกสาลาบอกเลิกแ้่ทางนี้เป็นทางหลุดพ้นจริงทําไมพระเจ้าไม่ทําต่อั สงบแล้วก็ให้มันสงบยิ่งขึ้นสงบยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้หลุดพ้นที่จริงความสงบนั้นดีแต่ว่าความสงบนั้นแค่สงบเท่านั้นครับยิ่งสงบจัดถึงระดับพรหมโลกนะครับคือระดับ ร, ระดับรที่เป็นพรหมนี่ยิ่งไม่มียิ่งยิ่งไม่รู้อะไรเลยครับแต่มันสบายเท่านั้นเองแล้วพระเจ้ามันคนมีปฏิภาณมากครับท่าน mm. ก่อนที่ท่านจะลาจากครูสองคนท่านลำพึงว่าแม้นี้จะเป็นสิ่งสงบก็ตามแต่ยังอาพาธอยู่ก็อาพาธปแปลว่ามันยังพิกลพิการครับคือพอไม่ได้ทำํำไม่ได้เข้าฌานกลับไม่รู้อะไรแล้วกลับสับสนจริงๆนะเพราะนั้นท่านจับได้ น, นี้ไม่ใช่ทางออกแน่ครับแต่ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางออกคืออะไรกันแนะ่ท่านเลยไปทรมานตนครับ ทรมานจนถึงที่ไม่รู้อแล้วครับพระเจ้าเป็นคนมีนิสัยอย่างหนึ่งรองอะไรก็ต้งองรองกันให้ถึงแก่นข้าสามเณสังเกตดูเพีว่านิสัยท่านเป็นคนอย่างนั้นเมื่อไปรองเข้าฌานกับฤาษีดูนั้นเอากันถึงแก่นนเมื่อตอนทรมานตนนะครับเอากันถึงแก่จนท่านเกิดความคิดขึ้นในใจว่าในอดีตก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ตามเท่าที่ท่านรู้เห็นนะครับ ผู้ที่ทรมานตนเสมอเหมือนท่านนี้ไม่มีเส้นทดรองกินอุจราระตัวเองจนกระทั่งไม่มีอะไรถ่ายออกมาเลย ค, คือเชื่อว่าอาจจะรู้ธรรมะก็ได้คนในเดียรเขาพิลึกพิเรนอ่งนั้นนะครับแม้ทุกวันนี้ก็เป็นนะในสุดท่านจับได้ไม่มีทางออกแน่ทีนี้มีเรื่องที่ควรสังเกตนะครับหรือชวนพินิษ์พิจารณาคือว่า พระเจ้าออกบวชด้วยรอนทดลองนั้นทดลองนี้แต่ตอนที่ท่านจับทางได้นี่ท่านนึกถึงตอนที่ท่านท่านยังไม่ได้บวชครับ <c oughs> ตัวนี้การบวชของท่านเป็นการค้นหาแต่าสาระนั้นอยู่ที่ท่านจับสาระได้ก่อนหน้าที่ท่านจะออกบวชคือท่านทรมานตนมากๆแล้วก็มากขณะหนึ่งวันหนึ่ง <c oughs> ปิพานเกิดขึ้นว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมัยท่านเด็กๆ เ, เมื่อพระบิดากำมังทําพิธีแรกนานะครับท่านเป็นเด็กซึ่งเลื้ยสนโดดมากน้อยก็ได้นะครับไม่อยากวุ่นวายกายเขาไปนั่งใต้ต้นว่าแล้วก็ด้วยสติที่ติดอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นท่านบรร ล, ลุปฐมฌานแค่นั่งใต้ต้นว่านะครับก็ด้วยอํานาจของสตินั่นเอง ดังนั้นเองปฏิภาณต้อเกิดวับขึ้นมาว่าต้องทางทางนี้แน่คือทางที่เรียว่าเจริญสติแน่นอนเแล้วเจริญสตินั้นตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชท่านเป็นเด็กคงไม่เด็กนะท่านผมเชื่ออย่างนั้นพราะเกิดเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็เริ่มกินข้าวครับไม่มีใครเข้าใจท่านนอกจากท่านพระองค์เดียวเท่านั้นที่เข้าใจว่าท่านกำลังทําอะไรพอเริ่มฉันข้าวฉันอะไรขึ้นมาพวกปัญจวัคคีก็เปิดหมด คิดว่าพระโคดมหานุมากมากเสียแล้วไม่มีวันแล้วที่จะรู้ธรรมะอะไรกับเขาแต่สําหรับพระเจ้านั้นเข้าใจตัวเองดีครับนั้นเห็นความสัมพันธ์อันนี้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าตัดสินปมไทยออกบวชด้วยความไม่รู้เหมือนกั น, นแต่เป็นการเลือกวิถีชีวิตหรือสไตล์ชีวิตของตัวเองตามที่สติปัญญาช่วงนั้นอำนวยให้ แต่ตอนนี้ท่านเข้าใจทางนั้นกลับกลายย้อนไม่เข้าใจตอนที่ท่านไม่ได้บวช ด, ดังนั้นเราต้องรู้นะครับว่าการบวชเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งช่วงหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับนักบวชที่บวชทาวอนนั้นก็ดีนะฮะเหมาะถ้าชอบมีอุปนิสัยแต่ว่าการบวชไม่ใช่เนื้อหาของการรู้แจ้งมีนักบวชมากครับที่บวชจนสิ้นชีวิตแต่ก็ไม่ได้รู้อะไร เพราะว่าเงื่อนไขที่รู้แจ้งนั้นไม่เกี่ยวกบวับการบวชการบวชเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นนะฮะถ้าสมมติว่าใครบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติเลยนั้นนักศึกษาตัดสินเ อ, เองได้ใช่ไหมครับผมเคยเห็นพระที่เกาะส ม, มุยเนี่ยนัดชาวบ้านมาชนควายคือท่านบวชแต่ท่านนึกสนุกขึ้นมาน่าจะว่าาเอาควายมาชนกันในวัด ท่านเป็นเป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะเป็นผู้จัดการด้วยครับนี mm ่ hmm. เอาหนักถึงขนาดนนะั้นดังนั้นสาระสําคัญของชีวิตอยู่ตรงการปฏิบัติผมไม่ได้พูดให้ดูเห็นว่าพระไม่สําคัญนะนักบวชก็สําคัญนะครับอย่างน้อยสุดมีศูนย์กลางที่วัดแล้วมีนักบวชเป็นพี่เลี้ยงแต่ก็พระก็คือเพื่อนเรารเพื่อนที่ดีคือกัลยาณมิตรของเรา ผู้ใดสมัครที่จบวชตลอดชีวิตก็ดีครับแต่ผู้ใดไม่ชอบเครื่องแบบสง